ผู้ใดเพลิดเพลินในหลานผู้นั้นเพลิดเพลินในทุกผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์ผู้ผู้ใดเพลิดเพลินในหลานผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินในในทุกใช่ไหมผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็จะมาเป็นหลานของหลานอีกครั้งหนึ่งอาจจะมาเป็นเลน เออนะถ้าถ้าคิดดูนะก็มีวงวงของอะไรวงของพระเจ้าเนมิใช่ไหมเขาก็มีพระราชาพระองค์หนึ่งอะพ ร, ระราชาก็เป็นพระราชาโพธิสัตว์ก็เลยเออพอเขาก็สั่งช่างกระบอกว่านี่นายช่างกระบอกถ้าเห็นศีษะงอกบอกเราด้วยนะบอกพระเจ้าค่าบอกวันเวลาผ่านไปหลายหลายสิบปีหลายร้อยปีหลายพันปีผ่านไป ก็ช่างตัดผมจริงก็ตัดกี่กี่วันครั้งหนึ่งก็นานๆก็ไปเห็นผมงอกอยู่เส้นหนึ่งหนึ่งเส้นนะก็บอกว่าเห็นผมงอกแล้วพระเจ้าค่ะบอกว่าเนี่ยๆเ น, นี่ถอนมาถอนม า, านแหนบท้องคําเนี่ยถอนมาถอนมาก็บอกมาวางบอกหูพยามัจจุราชอยู่ใกล้อะนะนะโอ้โหนี่จะตายแล้วหรือเนี่ยเนี่ยนะสมัยนั้นเนี่ยโดยรวมๆนะเขาเมีอายุเป็นแสนปีนะ อายุเป็นแสนแสนปีนะเขบอกว่าอีกประมาณแปดหมื่นสี่พันปีจะตายโขเขบอกพยาวมัจจุราชมันอยู่แค่เนี้เลยเนี่ยสังเวชใจมากวันนั้นยกราชสมบัติให้ลูกเลยบอกพ่อไม่เอาแล้วพ่อจะบวชแล้ววันนั้นพ่อได้กรมคุณอันเตนของมนุษย์แล้วต่อไปพ่อจะแสวงหาการมคุณอันเตนของทิพย์ก็เลยบวชเลยวันนั้นบวชก็มาเป็นเป็นราชฤาษีบอกเป็นฤาษีที่ที่ออกบวชจากพระราชาเนี่ยนะ ก็ปกครองราชสมบัติแล้วก็สั่งลูกบอกว่าลูกถ้าเห็นผมหงอกในศรีรษะลูกจงออกบวชเจ้าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของวงนี้เลยคือหมายคขาว่าวงพระราชานักบวชนี่อย่าได้อย่าได้จบที่เจ้านะเจ้าอย่าเป็นคนสุดท้ายเลยก็สั่งลูกไ้อย่างนั้นผ่านไปก็พระราชาองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพระราชาองค์แรกเกิดในพรม ผ่านไปพระราชาเนี่ยนะผ่านไปเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดนะแปดหมื่นสี่พันย่อนสองันนะเลยนะนนแปดหมื่นสี่พันเนี่ยนะย่อนสองเสร็จแล้วก็พรมพรมเจ้าที่หนึ่งเนี่ยมาคิดดูเขามีอายุมานานนะผ่านพระราชามาระดับเนี้ยนานมากเพราะจริงจพรมมีอายุเป็นกับใช่ไหม แต่จริงถ้าขนาดนี้ถ้าเทียบอายุของพรหมก็ไ ม, ไม่ไม่กี่วันของพรหมไม่กี่ชั่วโมงของพรหมหรอกแต่ว่าผ่านพระราชามาแล้วแปดแปดหมืนสี่พันย่สิสองเขามาคิดดูว่าเออวงของเราที่เราตั้งไว้ยังคงเป็นไปอยู่หรือก็ไปเห็นว่ากษัตริย์กษัตริย์องค์นี้เนี่ยถ้าไม่มีใครมาต่อวงนะพระราชานักบวชจะศูนย์เพราะกษัตริย์องค์นี้จะบวชเป็นองค์สุดท้ายพรหมก็เลยบอกว่าเดี๋ยว พระราชาองค์แรกที่เป็นพระงก็มาขอเกิดเป็นลูกนะของพระราชาของพระราชาองค์นี้ใช่ก็มาเป็นลูกลูกนั้นชื่อว่าพระเจ้าเนมิราษนนะพระเจ้าเนมิราชพระเจ้าเนมิราชเนี่ยเรียกว่าเนมิเพราะว่ามาต่อวงของตัวเองจริงก็วงที่แรกก็ต้องเขียนแบบนี้นะก็มาต่อไว้ตรงนี้พอดีเลยนะก็จะเชื่อมวงกลมใช่ม ก็จะเข้าวงกลมตามเดิมคำว่ามารักษาวงของตัวเองพอพระเจ้าเนมิราชเนี่ยตอนหลังท่านก็ออกบวชใ่พระเจ้าเนมิราชก็มีลูกลูกเนี่ยตัดวงลูกไม่ยอมบวชตามพ่อเลยก็ น, นี่ถ้าจำไม่ผิดก็พระราหุลไม่ยอมบวชตามเลยน <c oughs> คือว่าโดยรวมๆนะลูกของพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่คือพระราหุลพระราหุลเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้านา คนมานานะท่านในพระเวสสันดรเป็นอะไรนะการหากัรหาชีนาใช่ไหมมีหลายชาตินะไม่ค่อยเป็นลูกหรอกเป็นแม่ก็มีหลายชาติมากเป็นแม่ซะส่วนใหญ่ น, นะอย่างเช่นชาติพระชาติพระเตมีใบ้นะก็เป็นแม่แม่ใครครับแม่พระโพธิสัตว์แม่พระโพ ธ, ธิสัตว์ธธ <c oughs> ก็เป็นแม่อยู่หลายชาตินะ บางชาติก็เป็นผู้ช่วยเหลือบางชาติก็เป็นลูกลก็วนๆกันแถวนั้นเลยของเรานะท่าไม่พ้นกันนะมารู้ใครเป็นใครแล้วกันนึงวนๆกันอยู่นี่แหละต้อกาะกลุ่มกันไปเรื่อยใครไปนี่พานก็ไปก่อน<笑><笑>เอ๊คงไม่แล้วเดี๋ยวของมาก็แยกกลุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับแล้วไหม มันถ้าผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็เนยแหละเพลิดเพลินในหลานก็ไม่เกิดเป็นหลานวนกลับไปกับไม้น่น <c oughs> วัตถุเหล่านี้ถือโดยรวมๆแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลิน เ, เนี่ยนะคือถ้าถ้าเราทรงจำพระสูตรหนึ่งชื่อว่าปาสราสิสูตรเนี่ยนะ พระสูตรทีว่าด้วยการสแสวงหาสแสวงหาที่ประเสริฐกับสแสวงหาไม่ประเสริฐคือผู้มีชาติเป็นธรรมดาก็สแสวงหาชาติเองผู้ที่มีชราเป็นธรรมดาก็สแสวงหาชราผู้ที่มีพญาทีเป็นธรรมดาก็สแสวงหาพญาทีผู้ที่มีมรณะเป็นธรรมดาก็แสวงหาสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาผู้ที่มีโสกะเป็นธรรมดา ก็สแสวงหาสิ่งที่มีโศกเป็นธรรมดามอาีอุปายาตเป็นธรรมดาคับแคนเนี่ยนะเป็นนะก็สแสวงหาสิ่งที่มีคับแ้นเป็นธรรมดาอย่างอย่างเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาในชาตินี้ก็มีอะไรมีชาติเห็นแล้วนะชาราพญาทิมรณนะก็เกือบแล้วโศกปกติคับแขนใจปกติเนี่ยนะเคยเครียดไหมนั่นแหละ ป้ายาเป็นเกิดแล้วเราก็ยังประดโดยทั่วๆไปรวมๆมันนะเราก็คิดถึงวันข้างหน้าใช่ไหมอันนะั้นอย่างๆสังเกตดู ง, ง่ายๆเลยนะคิดถึงพรุ่งนี้ปารือ น, นี้ปีหน้าหาปีข้างหน้าคิดไปเรื่อยนะดีไม่ดีคิดชาติหน้าอีกก็คิดอะไรก็คิดชาติชราญาที่มรณะสโสกปริเทวทุกขโทมนานัสอุปาญาตหรือสิ่งใดที่เราคิดนะอารมณ์ที่เราคิดทุกๆอารมณ์เนี่ยมีอะไรพ้นอันนี้มั้ง มันรียกว่าผู้เพื่อผู้ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาก็ยังสแสวงห า, าสแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่อีกนั่นแหลวถ้าสแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่คิดหรือว่าจะพ้น ก, ก็ก็อยู่อย่างนี้แหละก็ติดข้องเพราะฉะนั้นจึงควรคิดสิ่งที่ไม่ใช่ชาติอาชาตใช่ั้ยควรคิดถึงอาชราอาพยาธิ คือพยายามคิดในมันสิ่งที่มันตรงกันข้ามใครที่มีความคิดในตรงกันข้ามเนี่ยน ะ, ะผู้ที่คิดถึงชาติชราพยาธิมรณะนี่เรียกว่ามีอัธยาศายเป็นวตะถ้าคิดตรงกันข้ามอัธยาศายเป็นวิวัตะวันๆหนึ่งใครอัธยาศายได้มากกว่ากันก็ดูเอาเช็คเอาอนนอวัตตะเนี่ยนะ ชาติชราพญาที่มรณะเนี่ยตรงๆงเป็นทุกขสัตวใช่ไหมเป็นดินแดนแห่งสมุทัยสัตว์อาชาติความไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่ป่วยไม่ไข้เป็นต้นเนี่ยเป็นนิโรธสัจจะเพราะฉะนั้นตัวที่ไปรู้แทงตลอดนิโรธสัจจะ ก, ก็เป็นเป็นอะไรสัจมรคสัจจะเพราะฉะนน อารมณ์ที่เรามาณสิการถึงเนี่ยพยายามคิดถึงชาติชราพญาทีมรณะบ่อยๆถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆ่อยก็เท่ากับคิดถึงอ่านะคิดถึงทุกบ่อยบ่อยเหมือนอย่างว่าใครที่เพลินในตอนแรกแล้วอ่ะได้รับความทุกข์ในตอนหลังเลยนะเคยทาน ผ, ผลไม้บางอย่างทานแล้วท้องเสียทุกครั้งเลยผลไม้ชนิดนี้ทานเมื่อไหร่ก็ท้องเสียทุกทีเลยเนะก็เอนึกอยากอีกแล้วก็นึกถึงตอนท้องเสียเข้าไว้อย่างเงี้มันก็จะ ก็เอาอันนั้นไม่ดีเอาเอาใหม่คือบางคนนะที่เขาเขาดื่มสุราเนี่ยที่เขาเลิกสุราได้นะมันด้วยเหตุผลอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่ า, วาคือค่าดื่มเต็มที่แล้วเนี่ยอันนี้ส์งก็คืออาเจียนแล้วก็ต่อด้วยเพลียที น, ยนี้เพลียนี่ก็หันกลับไปใหม่เพราะว่า ตัวที่จะบําบัดดีที่สุดก็คือสุราอีกนั่นแหละถ้าจะบําบัดความเพลียนะถ้าเพลียจากสุรา ن นะถ้าดื่มไปสักครึบสองครึ่บแล้วมันจะหายเพลียต่อทีนี้คนที่ขณะที่ดื่มจริงๆเนี่ยมันมีอาสาธรรมมากานะคิดดูนะทุกคนคุยเรื่องของตัวเองหมดแต่มีความสุขกันทุกคนเออเอาไง นะสมมติว่าสองครอบครัวก็ดื่มเหล้านะคนนั้นก็คุยเรื่องครอบครัวตัวเองไปคนนี้ก็คุยเรื่องครอบครัวตัวเองแต่ว่ามันคุยกันคนละทีนะก็มีความสุขแล้วนะมีอาสาทะกินเลี้ยงเพื่อนผูงเต้นไปหมดล็อ ก, กลับบ้านเป็นต้นอาเจียนเสร็จแล้วก็นอนเพลียแผ่พังพานอยู่นั่นนะแหละเสร็จแล้วใครที่มาคิดถึงตัวอาทีนวะคือตอนอาเจียนกับตอนเพลียบ่อยๆมากๆนะมานสิการตรงนี้บ่อยๆคนนั้นจะเลิอกสุราได้อห็นะห ก็มีตัวอย่างในห้องเราก็มีแต่ถ้าใครคิดถึงแต่ตอนที่อาสาธะอย่างเดียวนะทั้งปีทั้งชาติเลิกไม่ได้ น, นก็จะคิดถึงแต่ตอนอาสาธะอาทีนวะช่างมันมันจะอาเจียนมันจะเพลียจะอะไรก็ช่างมันน่นะั น, นก็จะมีกลุ่มเนียสองกลุ่ ม, มคุณมุญชูบอกว่าที่เลิกสุราได้ก็บว่าเห็นอาทีนวะคืออาเจียนเนี่ยบ่อยๆมากๆ หลายบางคนเลิกไม่ได้ก็เห็นแต่ตอนที่มันมีอัศทะเนี่ยนะาะะั้นคนที่เลิกสุราส่วนใหญ่คือคนที่เห็นอาทีนวะคนเมาาบางคนเาบอกกันเของีู่ีของใครคือทุกอย่างในโลกเนี่ยนะถ้าว่าไปจริงๆอ่ะนะเออมันถามว่า ถ้าเราเราเร า, เราคิดแบบนักอภิธรรม น, นะเราเรามาวิเคราะห์แบบนักอภิธรรมสุราคืออะไรที่ก่อนจะมาเป็นสุราคืออะไรก็คือข้าวเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราติดในข้าวว่าตรงๆเราก็ไม่ใช่ว่าจะต่างอะไรจากติดถ้าว่าโดยวัตตะนะถ้าถ้ากล่าวแบบแบบระดับวัตตะเนี่ยไม่ใช่กล่าวกันแค่เฉพาะเหตุผลแบบง่ายๆสั้นๆเนี่ยนะ เพราะในขณะที่เราเพลิดเพลินข้าวก็ก็ไม่ต่างกันเพราะในความเป็นรูปก็แต่รูปเหมือนกันนนะที่ไกินเหล้าอสุราไม่มีเหล้าสุระเนี่ยแปลว่ากล้าน้ำที่สุระเนี่ยคือก็บอกว่าหรือนายพรานชื่อว่าสุระเนี่ยเป็นคนไปพบเขาเลยตั้งชื่อว่าสุรานนะ คือคือคนที่ไปพบเนี่ยชื่อสุระนะเขาบอกว่าพบที่ไหนคือพบในในป่าคือโพรงไม้นะนจะเป็นยังไงน้ําฝนตกลงมาไหมผลไม้นกมากินก็มาตกใส่ตกใส่มันก็น้ําผลไม้นะั่นก็หมักขึ้นหมักขึ้นหมักขึ้ น, ก, นก็เลยเป็นสุราพอเป็นสุราก็ในพรานคนนี้ก็ไปดื่มดื่มก็มันอร่อยมากเลยนะสางมาเออมันดีนี่ก็เลยตั้งกันนั้นมาก็จํา ก็เอ๊ดื่มคนเดียวมันชักมันค่อยสนกุกไปเห็นฤาษีใกล้ๆแถวนั้นก็ไปชวนฤาษีบอกว่นาน้ํานี้อมาตะดีมากฤาษีก็เอาบ้างนะตอนหลังก็นายพรางก็นายพรางแลหากลับแกล้มมายากนั้นก็เลยดื่มกันดื่มจนเรื่อยๆก็เลยจะไปชวนคนอื่นดื่มต่อไปอีกก็เลยจําสูตรว่ามันทําได้ยังไงนะหลังจากนั้นมาก็สุราก็ระบาดเต็มไปหมดที่เขาว่ายักไม่กินเหล้าในยุคเออสุราไม่กินเหล้าไม่ใช่ อาซูเนี่ยเป็นนักเมาตัวยงเลยแหละวัตวะตะกับวิวัตตะเนี่ยนะถ้ากล่าวแบบย่อๆเลยนะว่าในปีรูปสารรูปทั้งห0เนี่ยความเพลิดเพลิ น, นนะความเพลินนั่นเป็นเหตุให้เกิดอะไรเพลิดเพลินในธรรมะห0สิไหม ก็แสวงหาก็เพลิดเพลินใน60มันก็จะได้อีก60สิบมันได้คือถ้าเพลิดเพลินว่างอาย่อๆก็ถ้าเพลิดเพลินในตาผู้นั้นก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นทุกก็เท่ากับเพลิดเพลินในตาอย่างนี้ต่อไปถ้าเห็นโดยความเป็นโทษก็จับดับยังไงอันนี้สมก็คือดับได้ ก็ดับทุกตัวที่เห็นโดยความเป็นโทษตัวนี้เรียกว่าวิปัสนาเนี่ยนะตัวที่ไม่เพลิดเพลินตัวนี้เป็นเรียกว่าเออขออภัยตัวที่เพลิดเพลินเรียกว่าสมุทัยอ่ะนะเหตุแห่งความทุกข์กับเหตุดับทุกข์ก็ก็ดูโย่อๆแบบนี้นะถ้าจะเอาแบบง่ายๆเลยคือถ้าว่าโดยสรุปในพระไตรปิฎกเนี่ยนะต้องการเห็นชี้ให้เห็นตัวเพลิดเพลินกับตัว ตัวตัวโทษนนขณะใดที่ชี้ความเพลิดเพลินขณะนั้นเรียกว่าชี้สมุทัยสัตว์เมื่อใดที่ชี้โทษตัวนั้นกําลังแสดงวิปัสนาเพราะอันนี้สอของวิปัสสนาก็คือมรรคเพราะจะดับได้จริงๆต่อเมื่อเจริญวิปัสนาจรได้อริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคยังเป็นตัวดับในที่เดียวกันเนี่ยนะถ้าบุคคลใดมาทําปริญญา โดยเฉพาะตีระณะปริญญาเป็นต้นเน่นะถ้าทำตีระณะปริญญามากๆก็จักเห็นโทษแต่ถ้าเป็นปกติของผู้ที่อยู่ในวัตตะโดยมากก็วิจัยหาอัาทะถึงเห็นโทษนะวิจัยถึงเห็นโทษก็เพื่อเพื่อให้มันมีอัสาธะต่อไปเพื่อปกปิดโทษอย่างอย่างเช่นเขาศึกษาในเรื่องชาราเนี่ยนะ แพทย์เขศึกษาชาราเช่นชาราของผิวหนังเป็นยังไงผิวหนังเวชัสชาเป็นยังไงก็อันนี้เขาบอกว่าแถวๆโดยเฉพาะขอบตานะบริเวณตาเนะี่ยอันนี้แพทย์เขาก็เขาบอกว่าอ๋มันเกิดจากกล้ามเนื้อเขาทํายังไงจะให้กล้ามเนื้อมันอัมมาพึกนนกล้ามเนื้อขอบตานะมันจะได้อัมมาพลึกข้ามมันก็จะลดอาการเหี่ยวเฉาลงไป อ่ะ น, นะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งอ่ะนะที่ที่หมอที่อเมริกาเ้าทําพอดีไปอ่านหนังสือเห็นเออแปลกใจก็เลยอ่านเขาบอกว่าเขาฉีดยารอบๆอบ่ะนะฉีดยาแล้วก็แกก็ไม่ใช่ว่าทําแค่นี้อ่นะมันมีวิธีการรักษาเยอะแต่เขาบอกว่าหนึ่งวิธีในนั้นก็คือการฉีดให้กล้ามเนื้อที่ที่เพราะกล้ามเนื้อแล้วก็มันใช่ไหมแล้วก็ผิวหนังจึงมาทับอีกครั้งหนึ่งถ้ากล้ามเนื้อมันไม่ค่อยปกผิดปกตินักอ่ะนะ ผิวหนังก็จะอยู่ในสภาพเดิม ก, ก็ใช้กับดาราที่อายุเกิน40ขึ้นไปส่วนใหญ่เพราะมันแพงมากพัการวิจัยเห็นชารานะทั่วไปก็เพื่อที่จะมาปกปิดไม่ให้เห็นชาราที่สุดเท่าที่เท่าที่จะทำได้ใช่ไหมโดยทำยังไงโดยที่เพลินโดยอย่างไม่มีอะไรตะคิดตะขวงใจะนะ ก็เหมือนกับอะไรนะที่กับสำนวนไทยไทยเรียกว่ายัดไว้ใต้พรมอ่ะนะพยายามยัดไว้ให้เห็นแต่พรมให้เห็นแต่ของดีๆเอาไว้ตลอดเนี่ยนะแต่ถ้าทางวิปัสสนาไม่ได้กลับรื้อเอามาดูทั้งหมดนั่นแหละอ น, นีิโรษสัจจาก็คงไม่มีอะไรแสดงมากกว่า น, นี้อีกเท่าไหร่นะถ้าถ้าถ้าดูตามคำพีเพราะว่า วัตถุประสงค์ก็คือการการละฉันธราคะในในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นนั่นเองท่านบุญใดมีปัญหาหรมครับมาคุ่นเพราะพระอาจารย์คอมยุคเดียวันี้ต้ออาศัยตะขาบอาศัยยาตะขาบห้าตัว ใครจะมีปัญหาแล้วไหมฮะให้คุณท่านี้ช่วยตอบมันงกันนคุณท่านนี้ศึกษาไปไกลโขนะมีไหมเอา้าลองดูดิลองถามดิคุณตุจินมีไห ม, ม, มไม่มีเหรอคือ <Okay. S 1> วิชานี้เนี่ยนะก่อนที่ผมจะตอนต้นๆชั่วโมงผมคิดถึงบอกอไอ้วิชานี้นะ มีสอนกันน้อยมากะเป็นวิชาที่ที่หายากมากก็ยังมีการสอนกันเนี่ยนึกขึ้นมาแล้วยั ง, ย, งยังเกิดปิติได้พระเจ้าท่านคงรู้แล้วว่าอีก2 5 0พัน้าร้อยปีเนี่ยโอ้โหไอ้วิชานี่มันมีสอนกันแห่งเดียวที่วัดพันเตาเลยเฉพาะขนาดนี้เฉพาะขณะนี้นะถ้าจะถ้าจะกล่าวไม่ผิดก็ว่าได้นะแต่น้อยมากล่ะมีอาจจะมีที่อื่นกันไม่รู้นะ แต่ถ้าจะสอนกันอย่างนี้เนี่ยน้อยมากเลยเอคิดแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีโชคดีเมื่อที่ได้ศึกษาอวิชาที่เป็นวิชาวิเศษจริงๆนะวิชานี้ถือว่าเป็นวิชาวิเศษมากแล้วก็มันกําลังจะหมดไปแล้วด้วยเนี่ยกำลังจะสูญหายไปจากโลกแล้วตอนผ ม, มนอายุสิบแปดนะผมไปเรียนอภิธรรมที่วัดโอตาเปียนอาจารย์มีมีครูมีครูสอไมีหนังสือมาแก้สองเล่มเองสองบริเขต ผมถามกีแค่น an ี้เหรอเขาบอกแค่นี้ยังสอนไม่จบอืมมีแค่สอนบิเนะสมัยนั้นเรียแค่สอนบเแล้วกะเรียนแคสอนเโอ้เรียนก่อนผมมันนานนี่ป็นบุญมีเรียนพระพิธมันนานมากลูกลูกยี่ิแปดเรยลสิบห้าสองไม่มีอะไรมากผมยังจไม่ได้ก็ดีละได้เรียนมากก็ดีละ เป็นเชื่อติดไปไม่งั้นถ้าไปเรียนตอนนั้นอาจจะไม่ได้มานั่งเรียนตรง น, นี้นะจะบอกเลยไม่มีอุปนิสัยอาจาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีผลทั้งนั้นนะแม้แต่นิดเดียวก็มีผลเรื่องประกตูปัญชีญาปัจจัยเนี่ยหูมันมันกว้างขวางแล้วมันมีอิทธิพลมากเลยท่านมาฟังฟังนั่งฟังบอกให้รู้ม้างไม่รู้บั่งนี่แหละโ อ, อมีผลมากเลยฟังไปนานๆก็ไปฟังสิ่งที่ผิดทําไมมันทําไมมัน มันขัดหูอะเรารู้เลยนะมันมันขัดหูเนาะนี่ก็เรียกว่าได้ประโยชน์ไปเยอะแล้วเขา้าเ น, นี้ยท่านท่านมีอะไรไหมครับจะถามอะไรไหมครับถามไหมครับมีอะไรไหมครับนี่ใครจะตอบมันก็ได้ไหมผมถามเไไดี๋ยวเวลาอีกิดหน่อยมีไหมหมอเออ คุณหมอฟังเทพมาแล้ได้ยินเสียงพี่ชมเชยถามเรื่องนิพา น, า น, พานอ๋อคิดถึงพี่ชมเชยน ะ, ะ, ะคือคือหมอไปเลยขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะทำให้ผมทาให้ผมนึกถึงถึงไอ้เรื่องของของของปัจจัยเนี่ยนะว่า ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเพราะว่ามันมาจากอารมณ์อันนั้นเนี่ยนะเรานึกเรานึกไม่ถึงนะเพราะอารมณ์อันนั้นเนี่ยทําให้เราต้องคิดอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งเราไม่ค่อยสังเกตตัวเองอะแต่ผมสังเกตแม่บ้านผมเพราะแกผ่านบ้านหลังนี้ทีไรนะแกจะพูดบ่อยมากเลยนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะอดีตนางสาวไทยหรือรองก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอุศนีหรือไงเนี่ย โอเนี่ยคนนี้เขาดีมากเขาสวยด้วยเขาแต่งงานก็หม่อมอะไรไม่รู้นะเจ้าของบ้านเนี่ยนะพอผ่านไปเรารู้เลยว่าทีแรกแกก็คิดเรื่องอะไรแต่อะไรมานะคุยมาตลอดนะพอมาตรงนี้แกจะพูดแล้วเนะนี่ยตัวเนี้ยนะเรารู้เลยว่านะไอตัวนี้เป็นอารมณ์ปัจจัยอย่างหนึ่งเนี่ยทําให้มันให้มันคิดเรื่องนี้ขึ้นมาลนะ่ะเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในคงวังแล้วตรงนี้นะฮะนะฮะคนอารมณ์คือว่ามันเข้าไปในเข้าไปในอะไรอ่ะ ออืืมคือทําไมเขาต้องคิดอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยนะฮะเขาเขาเขาคิดชื่นชมะมันนะฮะเขาต้องเขาคิดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตัวบ้านหลังนั้นเนี่ยอยู่ริมคลองโชลประทานเนี่ยนะหลังนั้นเนี่ยผมขับไปแล้วผมมันสังเกตเลยเดี๋ยวคุณนายต้องพูดแล้วแล้วก็พูดจริงๆนะฮะอะไม่เห็นก็ไม่พูดอาจจะคุยเพราะคุยเรื่องอื่นมาเรารู้ใช่ไหม คุยเรื่องอื่นไม่เกี่ยวเรื่องนั้นเลยใช่ไหมก็ น, นั่งฟังวัตถุรัตนแล้วก็วฟังก็เลยอ๋อแล้รู้เลยไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นอารมณปัจจัยอย่างหนึ่งนะเนะี่ยที่ทําให้มโนวิญญาณเนี่ยนะของขอ ง, ของคุณนายเกิดคิดขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมานี่แต่คุณนายไม่รู้เรื่องอนะแล้วก็เราไม่ใจญญ ห, หรือที่ตัวเราเองเนี่ยนะบางทีเราก็แปลกใจว่าเราเห็นหน้าคนนี้เนี่ยทําให้เรานึกไปถึงคนนั้นเนี่ย เห็นหน้าคนนี้เนี่ยนะอาจจะมีส่วนคล้ายหรือว่ามีลักษณะอะไรทําทให้เรานึกไปถึงเรื่องราวของคนนั้นใหญ่โตเลยนะฮะนี่แสด่จริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแหละมันไปขึ้นอยู่กับไอไอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นมิทริพนมากเลยแล้วเพราะนั้นไม่ต้องถามว่ามันตามมาด้วยอะไรนะเพราะมันเพ่อมันอารมณ์ปรากฏแล้วเนี่ยนะมันพอประชุมแล้วเนี่ยมันต้องตามมาด้วยด้วยด้วย ต่ผัดผับจะไปถึงทั้งเวทนาแล้วหนีไม่พ้นเรื่องเรื่องพหนีไม่พ้นนะะเรื่องกรรมเนี่ยนะจะเป็นถ้าเกิดเป็นกายกรรมวจีกรรมก็ต้องออกมาด้านนั่นเราคิดคิดดูแล้วโอ้โหนาหวมนกันถ้าผู้ที่เห็นโทษน่ะเห็นโทษทั้งสองฝ่ายนะเห็นโทษทั้งอารมณ์ด้วยเห็นโทษถึงตัวจิตที่ไปรู้อารมณ์นั้นด้วยต้องต้องเห็นโทษในสองฝ่าย อันนะว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามรณนะตัวจิตที่ไปคิดเหล่านั้นเนี่ยคือต้นเหตุแห่งชาติชรามรณนะเนี่ยนะก็ต้องเห็นภัยทั้งทั้งสิ่งที่ถูกรู้ด้วยแล้วก็เห็นภัยทั้งตัวตั ว, ตวรู้ตัวนั้น น, นนะที่เรียกว่าจิตเนี่ยนะจะต้องรู้ทั้งจิตทั้งสิ่งที่ถูกรู้จะต้องเอาทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาทำปริญญานะที่เรียกว่าทั้งอารมณ์ทั้งวิญญาณมันถ้าไม่ทปาปริญญาจนกว่าจะ จะเลิกมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์ได้นะยังไงก็ยังอยู่ในบ่วงหรืออยู่ในดินแดนแห่งวตัตตะตลอดไปคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความที่มันอยู่อย่างนี้นี่แหละบางสายก็เลยมองดูว่ามันเที่ยงเพราะมันออกไม่ได้นะถ้ายิ่งระลึกชาติได้นะลึกกี่พันล้านชาติก็มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไหมมันเที่ยงสิเนี่ยนะพวกศาะสนาทิฏฐิเนี่ยนะเกิดจากระลึกชาติได้ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่ออดีตมีอนาคตก็จังต้อง ต้องมีเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละตลอดไปเที่ยงยั่งยืนแน่นอนเนี่ยนะเพราะเพราะอะไรเพราะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มันยั่งยืนมาตลอดพะนั้นอน า, นาคตต่อไปก็ยั่งยืนไปตลอดเนี่ยนะถ้าไม่ไม่เอามาทําปริญญาจริงจริงพัปุตชชนทั้งหลายเมื่อไม่วิเคราะห์แยกแยะในกรรมและผลของกรรมแล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกาหนัดในสิ่งนี้น ะ, ะวิธีอื่นจริงๆแล้วถ้าว่าตรงๆไม่มี ถ้าลองคิดดูนะว่าสูตรออกจากวัตฏะเนี่ยนะลองไปคิดหาสูตรเองนะถ้าสมมติถ้าเราไม่ค่อยเชื่อพระพุทธเจ้านะี่นะไปลองหาสูตรคิดสูตรขึ้นมาเองดูเถอะไม่พบคิดไปคิดมาเนี่ยมันจะจนด้วยกล้าเองคิดไปคิดมามันก็จมอยู่ในทุกข์อีกจนได้หรือไม่ก็เลยชงอีกจนได้นะันะทั้นแต่ถ้าเราน้อมมนาสิการใคร่ครวนตามที่พระองค์สอนเนี่ยยอมรับเลยออกได้จริงๆขอให้คิดตามได้จริงๆนะจะต้อง เรียกว่าเห็นตามที่พระพุทธเจ้าเห็นที่เรียกว่าอนุพุทธะนะพุทธะแปลว่ารู้ใช่ไหมถ้ารู้คิดจนรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วจะยอมรับ ว, ว่าออกจากทุกข์ได้จริงๆทีนี้ผู้ที่จะออกจากทุกข์ได้ผู้าศาสนาก็ไม่ใช่าศาสนาของคนเบลเลยอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่นไพันถ้าการปฏิบัติใดถ้าเป็นไปเพื่อเบลอขึ้นอะไรขึ้นเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วละ่ะพันมร์แปนี้เป็นเป็นความดีเยี่ยมของพระาศาสนานี้ เในหกสิบเนี่ยนะถ้าถ้าเราคิดให้ดีเนี่ยนะ เ, เมื่อเมื่อลองทําปริญญาสักอย่างสองอย่างหรือแต่ละทวารไปเนะี่ยพอทําไปเรื่อยๆนะมันเรื้อเอามาหมดเหมือนกับว่าบ้านเรามีสมมตินะมีบ้านอยู่หกห้องเออเราอยากจะจัดห้องเนี้ก่อนนะทำไมมันรกเหลือเกินในห้องเนี้นะพอจัดเสร็จนะแล้วห้องอื่นๆก็จะตามมาก็ค่อยจัดไปเรื่อยจัดไปเรื่อยจัดไปเรื่อย ชั้นใดก็ดีถ้าเราได้ทำปริญญาแม้แต่อย่างเดียวซะก่อนเนะเอาทวานเดียวมาทำปริญญาให้ช่ำชองก่อนก็ได้แล้วจะตามด้วยอย่างอื่นอีกหรือในขันห้าเอาขันเดียวมาทำปริญญาให้มันจริงเถอะเดี๋ยวจะต้องไปหาขันอื่นอีกจนได้เพราะมันเกี่ยวยงกันเหมือนกับว่าเราอยากจะจัดบ้านเนี่ยถ้าจัดห้องเดียวนะถ้ามีหกห้องห้าห้องก็เดี๋ยวละถ้าคมนวว่าถ้าอยู่ในแดนรับผิดชอบของเราทั้งหมดนะ มันก็ได้ทําปริญญาทั้งหมดแต่ที่นี้อถ้ามไม่ค่อยได้ทําเนี่ยสิปัญหามันคือในเพศคราวาสเนี่ยนะของมาก็ยอมรับเพราะว่าไปที่ไหนก็จะครวญเหมือนกันทั้งหมดเลยเวลาไม่ค่อยมีบ้างไม่ได้สปายะบ้างอะไรบ้างขับแคบบ้างอะไรบ้างะนะพูดเหมือนกันหมดมาเชียงใหม่อยู่กรุงเทพพูดเหมือนกันหมดนี่นะนักๆเข้าจะออกบวชอีกแล้ว เขาบวดแล้วไปอยู่วัดไหนแ บ, ง น, นบงนั้นคิดแล้วบวชจะมาทำปริญญามานั่งทำยังไงออนั่นเองนั่นก็นี่แหละนั่นก็นปัจจัยมันเยอะนะทีนี้ถ้าเราอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ต้องฝืนไอ้ความคิดเดิมเดิมเหมือนกันใช่ไหมสมมติถ้าเวลานี้เราเคยดูหนังฟังเพลงเป็นต้นนะจะมานั่งฝืนเจริญกรรมฐานในเวลานั้นก็ก็กระไรอยู่เหมือนกันนั้นก็อ้ายอม ทีนี้อ้าวก็อยู่ด้วยกันตั้งหลายคนเนี่ยนะจะไปนั่งหลีกเลนนั่งเงียบๆไม่เลยหลับด้วยไม่คุยกับเขาเลยอก็เต็งใจเข้าบางนะก็อยู่อย่างนี้แหละนะแต่ก็มีหลายคนนัก็บอกบ้านเขาวิเวกที่สุดเลยเขาบอกงั้นบางคนนะเขาบอกว่าอ้ที่บ้านเขานะั้นสบายะที่สุดเลยเขาไม่ต้องไปหลีกเล่นที่ไหนและวเห <c oughs> ็นไนะทางผู้การนี่ก็คนละชั้นกันเลยยกคุณนายชัน้นหนึ่งผู้การชั้นหนึ่งอ ย, งนะอยู่อยู่คนละชั้นกันอนะนะ คุณุไรก็บอกคนละชั้นกันคุณนภาก็บอกคนละฝักกันเลยเพราะฉะนั้นก็วิเวกที่สุดนะอยู่บ้านนี่แหละว่างัน้นนะคุณมุญโชวก็ไปยังกําลังปรับให้มันเป็นวัดอยู่นะั้นแล้วก็คุณบุญิคุณชูศรีไอ้หลังนั้นน่ะเขายกให้หนละ้วงหลั ง, ลงลอยู่แล้วละ่ะหลังที่ฟังธรรมอ่ะนะเก็บตัวอยู่ได้หรือเปล่ากันนั่นเน่นนะมัน ก, นก็ถ้าจะเอาที่วิเวกก็แต่ละคนก็น่าจะพอมีอยู่แล้วละ่ะแต่ทีนี้ว่ามันฟืนอัธยาศัยค่อนข้างมาก การหมั่นสมาทานอธิษฐานหรือการเจริญมรณานุสติเป็นต้นจะช่วยเราได้เยอะเลยคือถึงอย่างไรนะทุกแห่งเนี่ยเราเราถามว่าเราจะอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไปหรือไม่หาสเสบียงทางไปบ้างเลยเชหรือหรือไม่หาทางออกจากทุกเลยหรือเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แยกแยะอะไรเป็นสาระและไม่เป็นสาระเนี่ยนะก็จะได้แบ่งเวลาได้ถูกอะไรควรอะไรไม่ควรฉั้นถ้า อย่างขขงมาเชื่อเลยนะว่าห้องเราเนี่ยที่ที่เรียนมาร่วมสี่ปีเนี่ยคือมันก็นับว่าฟังมามากเพราะจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะขอให้สงบและข้อมูลที่เคยฟังจากมันเหมือนกับว่ามันย้อนกลับมาทั้งหมดเลยคือขนาดเขาเป็นเดราชานเา้ายังระลึกชาติได้เลยใช่ไห คือเลอะลึกชาติตอนที่เป็นเดรฉ า, านว่าเดรฉ า, านตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นยังระลึกได้นี่ถ้ากุศลจิตเราเกิดนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมนะที่เรียนทั้งหมดนี่จะมาจะหวนระลึกมาใช้ได้ทั้งหมดมนั้นหรือแม้กระทั่งพระธรรมที่เราได้อ่านได้ฟังใน้ไข้ครวนนะะแต่ทีนี้ว่าไอ้ความที่กุกุจะหรืออุทะจะมันกําเริบมากมันก็เลยยากที่จ ะ, จะจะเจริญได้แล้วก็อีกอย่างก็การมัตยาสัยเราก็ยัง ไม่ได้ลดลงเท่าที่ควรจะเป็นอ่างนั้นเถอคือไม่ได้ลดลงพอที่จะบรรลุอริยสัจอ่ะนะมันก็ลดลงไปเยอะแหละถ้าไม่ลดมากขนาดนี้ก็ฟังไม่ได้กแล้วล่ะแต่ว่าก็มันก็ยังไม่ลดพอที่จะพ้นทุกข์อ่ะนะมันก็นี่แหละมันประโยคะเป็นอย่างยิ่งในศาสนาหนึ่ง <c oughs>